ปิญญาทั้งหลายแล้วเนี่ยไม่ใช่าญาติปัญญากําหนดตู้หรือการรู้อืมประหารเป็นบายะปริญญาไม่ใช่ว่าอืมชั้นวิ จ, จารการประหารเจดีย์ทั้งหลายทั้งปวง ม, มันปริญญาเคืออาชีพเหมือนเปรียบเป็นไงคนเรียนกฎหมายนี่เนี่ยเรียนกฎหมายมีความรู้ในกฎหมายให้สูงให้มีความเจริญกระลาดคนนั้น ถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ว่าจะเรียนกฎหมายมาให้เพิ่มเติมกฎหมายให้สมบูรณ์มาเพื่อจะดีกฎหมายมันมีช่องโหว่ตรงไหนก็อเอาที่สาบโโหไปตรงนั้นนะก็จะแก้อย่างงั้นอืมเรียนเพื่อจะทําลายกฎหมายอืมไม่ใช่ทําให้กฎหมายให้สมบูรณ์อืันนี้ก็เรียกว่ามันอืไม่มีคุณธรรมเรียนไปยงั้นก็เรียกว่ามัน มันไม่เกิดประโยชน์มันทำลายประโยชน์ในไหนที่จะมีประโยชน์ไปทำลายเนี่ยประโยชน์อันนั้นมันก็ไม่สมควรอันนี้ก่อนวันกันอืมไอ้ความรู้เพื่ออารชีพมันก็เพื่ออารชีพเท่านั้นอืมมันเป็นโรกียวิสัยมันก็หมุนไปตามโรกีอยู่เสมอมันเรียนไปเพื่อความจำมาพูดกันมาทำกัน ทำกับพูดพูดไปอย่างนึงการกระทํำก็ไปอย่างนึงคิดใจก็ไปอีกอย่างเป็นข้าจะพูดจะเธอดีๆแต่ว่าอจิตของข้ายังเป็นขโมยอยู่เพื่อจะเงี้ยงัดอะไรต่ออะไรยังมีความโปกปิดความชั่วของเจ้าของไว้ในใจไม่ใช่ว่า คือเอาความชั่วมาประกาศปเปลี่ยนแอ้ความดีนั้นต่อไปไมีว่าไม่ได้มันก็เป็นโลกเพราะนั้นมันถึงยากลำบากอยู่การบวชคือปราดทั้งหลายท่าน่ามันจะผิดหรือถูกนั้นเราก็ต้องฟังเราก็ตัง้ตงใจฟังฟังเราทั้งมันถถกมันผิดนั่นแหละ ที่เรามีปัญญาฟังแล้วมันไม่ผิดไม่ถูกรอกถ้ามันไม่ถกูกเราก็เก็บไว้เพื่อปิจนาส่วนจะละมันจะไปเชียถ้ามันถกูกนะเราก็นำไปประปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญให้ความสมบุรณ์เกิดขึ้นในตัวของเจ้าของมันก็เกิดประโยชน์เทนั้นนะอันนี้โดยมากมันก็นี่เรามาบวชกัน โดยมากเกษตรกรจะมาบวชกันเห็นว่าอยู่ในโลกมันยุ่งยุ่งทำไมยุ่งเพราะการงานทุกสิ่งสารพัดมันยุ่งไม่ว่าจะเข้ามาบวชแล้วมันก็จะสบายสบายเพราะจะได้นอนสบายสบายกินสบายสบายสบา ย, บายไม่ต้องไปทำ ง, งานอะไรทั้งทุกอย่างมันก็สบายเข้าใจว่ามาบวชพักผ่อนเมื่อมาถึงที่นี่แล้ว ถึงเวลาจิตเยียวัดเกิดขึ้นมาที่หวงจะต้องทํากันเขาก็ต้องทําเราก็เห็นว่าเราบวชมาพักผ่อนกันไม่ต้องไปทําอะไรกับเขามันคิดเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครูบาอาจารย์สอนว่าให้ทําการงานจิตเยียวัดตอนเชาา้ามาก็ไปจับขมาตอนเย็นก็วบวชให้อุปชาจะต้องลำบากสอนไปตั้งแต่หน้าโมตลอดทุกคำไม่อรู่เรื่องนี่ไม่ มาบวชต็จอมมาศึกษาการบวชแล้วหน้าที่ของอุบาสกหน้าที่ของสามเณรหน้าที่ของพระให้รู้พอสมควรจรึงจะไม่นักอกหนักใจกับอุปัชฌาย์อาจารย์รงั้นทีนี่จึงบวชกันมีเหตดผลพอุกควรยังนั้นบางทีก็ยังคุมไม่ไหวใช่้วยไอ้คนไม่รู้มันก็ไม่อะไรเนาะอย่างคนซื่อตามบ้านเราเนี่ย เ้าบอกว่าท่านจงทําไม่มีนะเขาก็ทาไปอืมท่านจงกระทําอย่างนี้เขาก็ทาไปตามเรื่องเขากับพราะว่าความคารวครูบระะราอ า, าจารย์กระทำไปย่างนั้นมันก็ง่ายขึ้นแต่เรื่องนี้มันมีเหตุผลกันมากอืมทำวันนี้เพื่ออะไรอืมโูดอย่างนั้นเื่ออะไรเรามันมีปัญญาเดนะิ่งปัญญาอะไรก็เลยมีเหตุผลกันถึงนั้น อะไรก็ไม่ต้องทํางานอะไรกันจะท่องมาถกเถียงเหตุผลกันใองมันชอบซะก่อนที่นี่ถ้าควรหาว่าไม่เป็นธรรมนะมันจบตรงที่ตรงไหนนะอืมเลยไม่ได้ทํางานอะไรกันเนี่ยถกเถียงเรื่องเหตุผลกันตลอดเวลาตอนนั้นยุ่งไม่ต้องทำงานงานอะไรอย่างนี้ที่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่นั้นที่ีเชื่อว่าน้องจะไ่สอนมากอืมเราสอนเสียงว่า เป็นวัดกระโจนใบนี้มันตั้งอยู่นี้อีกสองนาทีแล้วให้ท่านยกกระโจนใบนี้มาตั้งไว่นี้เมื่อตั้งลงแล้วอีกสองนาทีให้ทำยกกระโจนใบนี้มาตั้งไว้นี้เมื่อตั้งนี้แล้วอีกสองนาทีก็ให้ท่านยกกระโจนใบนี้มาตั้งที่นี่เท่านี้น่ะเออไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยไม่ต้องถามหาเหตุผลมันเลยอันนี้มันเจออันนี้มันเป็นเหตุผลอยู่แล้วเนี่ย แต่เมื่อทำครั้งแรกกะใจของคนเราก็เลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอมยกกระโลนไบนี้มาตั้งที่นี้ยกที่นี้ไปตั้งที่นี้คราวนี้มันจะมีเหตุผลอะไรไตรงนี้แหละตรงที่ให้เหตุผลเกิดขึ้นมาให้เรารู้จะพอดจิตใจของเราอืถ้าเราเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลก็เพราะเราเข้าใจไม่ถึงอืม เราเข้าใจมอนถึงเช่นว่าบุรุษบุรุษสีไฟ ม, มีมีไม้ไผ่สองซี่อืมนี่ต่อไอ้ความเป็นจริงนะ่ะธาตุไฟมันมีอยู่ในไม้ไผ่นั่นเน่ะอืมอบุรุษนั้นเอาไม้ไผ่นั่นมาสีไฟเขาอืมจนกลัวให้มันอุ่นขึ้นให้มันร้อนขึ้น จนมันร้อนจริงๆระงนะจนมันเหนื่อร้อนไปเกิดเป็นไฟขึ้นมาเกิดเป็นควันขึ้นมาเมื่อควันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันใกล้จะถึงเป็นไฟแล้วนะอืผู้รู้นะก็สีทับไปเรื่อยๆไฟมันก็เกิดขึ้นมานี่มันมีไฟอยู่อย่างเงี้ยทําไมพลาดกันเนี่ยไอ้ที่นี้ศรัทธาเราไม่ถึงไม่พอถ้านละไฟอยู่ตรงนี้มีนะอืมดูเอาไม้ไฟสองเี่มาสีทับไปที่เนื้อไฟมันเกิดผู้รู้นั้นเลยยินยังงั้นก็ เอาไม่ไฟมันยักจะได้ไฟในทิศทางเราว่าสีไฟฉีไฟจัดไปเยอะแต่เนี่ยความเกียจทานในความลำคานต้องเกิดขึ้นมานะมันยังไม่ร้อนเลยอืมก็นึกใจลำคาญใจอดทนไม่ได้เหนื่อยเปลา่าอืมก็เห็นว่าไฟห น, นึ่งก็เลยอยู่เนี้ยแต่เพราะว่ า, าความร้อนมันยังไม่สมรุ่นกันความร้อนมันยังไม่พอไฟมันตัวนี้ตื้ บุรุษนั้นก็เข้าใจไปนะอยากจะให้มีไฟรเร็วเร็วเหน่อย<ม>แต่วังทานอะไรแล้วนี่แหละก็หยุดจากการสีไฟนะั่นแหลมเนี่ยเพราะว่าอะไรก็เข้าใจว่าไฟอะไรีไอความร้อนมันไม่สมรุ่กันมันก็ยังไปเกิดไฟเราคิดไม่ถึงไอการไอความเพียงเขาเนีไม่ถึงแค่จะปล่อยตัวละอันนั้นเป็นไฟนะอืมอันนี้บาป ก, ก็ไม่มีบุญก็มีม มางคนมีพรานก็ไม่มีมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเราก็ไปทําดูแล้วบางคนทําชั่วได้ดีกนเยอะไหมบางคนทําดีแต่ชั่วกนเยอะกันบางคนทําอะไรก็ไม่ได้ยังไงนะอันเนี้ออันนี้คือเรารู้ไม่จริงอันนี้จิตมันไม่มีสักพรานก็ปล่อยว่าเนี่ยมันทนไมน่ไหวคือทุกข์มาแหละบริสีไฟมันทุกข์ทุกข์กขึ้นมาสโควาลองาทาน ทำสอนพระพุทธเจ้าการสอนกลับกันใช่ว่าทุกข์ก็จะนั่นแหละคือทุกข์ทุกข์นั่นแหละจะทำให้คนเกิดปัญญานอกจากทุกข์ไปแล้วไม่ให้คนเกิดปัญญาทุกข์นั่นแหละให้เกิดปัญญาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วมันจะได้คิดอืมมันจะได้คิดมันจะได้พิจารณาหาความจริงมันอืมพิดไอ้ความพิดนั่นแหละมันจะทำให้ปุ๊บ ืไอความผิดมันจะทำให้เมื่อเป็นผิดแล้วมันก็หยุดกลับใหม่มันก็ถูกเมื่อถูกกันแล้วมันก็กำจัดผิดออกไปแค่เขาไปคิดอย่างนี้เขาคิดว่าเหมือนสวิตไฟฟ้ามาทํากันมาฐานแล้วจะกดสวิตมันครับมันจ้าเป็นมาแรงนี่เขาจอบใจอย่างเนี้ยทีนี้ยเมื่าเขาจะปิดมันก็จะสวิตไฟฟ้าต้องรับครับนี่ เขาชอบกันอย่างนี้อันนี้มันเป็นความเห็นของคนงูเป็นความเห็นของคนมีปัญหาเป็นความเห็นของคนหู่ไม่อยากทำเพียรเลยไม่อยากทำศีลไม่อยากทำสมาธิไม่อยากทำปัญญาไม่อยากจะอดทนไม่อยากอะไรก็อะไรทั้งนั้นนะเขาอยากเด้เฉยมันต้นอกจากคาสอนพระพุทธเจ้าของเราคาสอนพระพุทธเจ้าของเรามันมีเหตุ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 ถ้ามันถูกต้องล่ะแต่ความถูกต้องมันจะเกิดขึ้นมาเองอ ม, มีความถูกต้องทุกอย่างการกระทำที่ถูกต้องอืมการพูดที่ถูกต้องการคิดเอการพูดที่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมามนถะ้าไปคิดอย่างงั้นทีนเขาจะมาปรุงเอาเขามันจะแต่งเอาให้ตามความอยากของเขานั่นเองอ่ะ ม, มันก็เป็นไปได้ยากนั้นการบวชที่นี่มันก็เรียวกว่าอืบวชกันให้มี เพศผล น, นี้ยสะนิดหนึ่งจะบวชสามเดือนก็ต้องมาปรึกษากันอืมควรมาบวชอะไรเพื่ออะไรบวชมานี่มันไม่ได้อะไรนะมัน ไ, ได้อะไร ไ, ไอคนที่โง่มันก็ไมนอยากจะทิ้งของชั่วชอบปิดของชั่วในใจเราเนี่ยอไอธรรมะช่วยเปิดออกช่วยเปิดเห็เนความชั่วเปิดเห็นความผิดอืมน ไอ้ผู้ตโชนคนหนาะเราช่วยผิดความชั่วช่วยปิดความผิดของตัวไว้ไม่ให้ใครรู้เนี่ยมันต่างกันอย่างนี้คนมีจิตหยุดปัญหาอยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนที่บวช ด, ด้วยศรัทธาข้อที่แล้วกับศรัทธาเนี่ยังก็พูดจากเหมือนกัน อ, อืมือมีความเชื่อถือในสิ่งนั้นมีความเชื่อถือในสิ่งนั้น ือพี่เห็นว่าชอบแล้วใช่ไหมด้พี่เห็นว่าชอบแล้วเรื่องการการะทำเจตนี้เราจะต้องทำอยู่สักก่อนนั่จะต้องทํายู่สักก่อนในการกระทําของเรานะั้นเช่นว่ายากกระโถนไปนี้ไปโนู้นยกกระโถนไปนี่กลับมาหนี้นี่ตอนไม่ต้องทําอะไรเราไปทํานี่ก่อนเถอะเนี่ยให้ข้อมความอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปยาทามเลยเนี่ยนะเรื่องนี้เรื่องนั้นยังไม่ไม่ควรศึกษา ให้ท่านศึกษาว่าเอากระโถนอะไรนี้มาตั้งนี้เดี๋ยวก็ยกไปนั่นนี๋ยก็จับมาตั้งนี้นี่หน้าที่ของท่านอยาพึ่งถามไปเช่นกรุษที่หิวข้าวเราอยากจะทานข้าวก็มาทานข้าวทานไปเรื่อยๆอย่าไปนึกถึงในเมื่อไรมันจะอิ่มเมื่อใดมันจะหายหิยวเนาะอันนั้นอยาพึ่งมันเลยให้ท่านบริโภคทานอาหารนี้เรื่อยๆเลยเถอะอย่าไปคว้าเอาอนาคตนั่นมาใส่มันเลย การทานท้าวของท่านไม่หยุดนี่เองมันจะพบความอิ่มเดี๋ยวมันจะพบความหายอหูวของท่านขอให้เจ้ท่านอือทานอาหารนีอเรื่อยไปสันนั้นพอแล้วอืมไม่ต้องถามมาเมื่ออะไรครบจะอิ่มเมื่อไรครบจะหายหิวอันนั้นไม่มีปัญหาเนี่ยอือทาไมไมีก็ไม่มีปัญหาการกระทำเช่นนี้การบริโภคนี่นะอือนะ มันจะเป็นหีให้เธอเี่ยรู้จักการพอรู้จักการอิ่มให้มีความหายหายิวกระหายในการบริโภคอาหารนั้นได้เรอจังไปกังวลในเมื่อไรเขาจะอิ่มเมื่อไรเขจะหาย ห, ายหายวิวอันนั้นไม่ต้องแล้วการกระทําทเช่นนี้มันจะบอกเองบริมนุ่งก็นั่งทานอาหารไเรื่อยไปอันนั้นเนีืยที่ขั้นห้าไวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิออดความทุกข์ขึ้น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 คือที่มันได้ในทางพุทธศาสนานได้ได้เกลือแรมไม่ใช่ได้แบกไว้ถ้าแบกไว้มันหนักมันได้คนในอย่างจะชื่อมันมีเดียวกั น, นต้องการอยากจะถึงความสงบอยากได้ความสงบถ้าอยากได้ความสงบนั้นนะมันต้องวางนะอยากได้ความเบามันต้องทิ้งพรอนไม้ที่เราแบกไว้ทิ้งหนักนี่เมื่อเราเมื่อเราทิ้งมันไปมันก็เบา นี่เดียววัยอยากได้ความเบามันก็สงบอยากได้ความสงบเนี่ยไอคนเราเดี๋ยวนี้มันไงเน่ยมันอยากได้มันเอามาแบกไว้จะเอามาแบกไว้แต่มันอยากได้เบาไม่อยากจะให้มันหนักแต่อยากจะแบกอยู่นี่มันเป็นปนัญหาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตอนนีปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อไม่ให้แบกไว้เน่ก็เพื่อให้ว่า คำพิบ่าแบบเนี่ยตัว อ, อุปท า, านเนะี่ยมันยึดทางใจไว้มันยึดไว้ถ้าเนี่ยทําไปเพื่อหากว่ามันทุกเกิดเป็นมาข้าก็รู้เข่าทุกันนั้นอดี๋ยวจะพิจารณาว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกอืแต่รู้จักทุกแต่เราไม่เป็นเจ้าของทุกอาการทุกมันก็มีอยู่เห็นแบบทุกอันนี้มันก็ไม่แน่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ ม, มันก็ระลายไปนในตัวหมดนะ ม, มันมีความสุขอาการสุขเกิดขึ้นมาแล้วเราพิจารณาว่าเจ้าของสุขไม่มีมี่เป็สุขสุขนี่มันก็ไม่แน่สุขนี่มันก็ไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนไปชิ้นทั้งสองอย่างนี้มันไม่คงเส้นคงวาอะไรใจว่าอาการที่มีสุขอาการที่มีทุกนั้นมันก็มีอยู่ แต่มีนอกใจเราอืแต่เราไม่ไปแบกแค่ไหนมีใครไปเป็นเจ้าของสุขอันนั้นทุกอันนั้นเขาเป็นเจ้าของไม่ได้ถ้าไปเป็นเจ้าของมันมันก็จะทุกข์เพราะอันนั้นมันไม่แน่นอนอืมวันนี้เราชอบใจพวกนี้เรชอบอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้เราจะไปยึดอะไรมันทําไมมันมีมาแล้วก็รู้มันนะเมื่อเรารู้มันแค่นี้ปัญหามันก็หมดไปมีปัญหาจะน้อยไป อือาการสูบทุกอะไรเดี๋ยวนี้แล้วทำไมวิองกันมงส่วนโรตีเมียใสมันก็อยู่ยงั้นเรือยๆนะอันนี้มันมีอยู่แล้วแต่เรายังไม่เกิดมันมีอยู่แล้วให้เราศึกลัอย่างนี้ไม่ว่ามันจะมีอยู่ที่นี่ก็ช่างมันมันจะอยู่ที่อื่นก็ช่างมันอย่างความสงบเนี่ยอย่างความสงบเนี่ยดูในป่านี้ม่มันกายวิเวกแต่ว่าเรามาบําเพ็ญธรรมเนี่ย เฉลีาายงฮยกไก่เว้ยออกมาอยู่ในป่าโลบที่วุ่นวายออกมาอยู่ในป่าไม่ใช่เราอยู่ในป่าแล้วมันสบายแล้วก็แล้วกันน่มาฝึกให้มันมีกำลังขึ้นเราจะต่อสู้ที่เดือดทั้งหลายเหล่าเนี้ยเพื่อทำกำลังขึ้นมาเพื่อให้มีปัญญาพอมีกำลังพอที่จะต่อต้านโลกคืออารมณ์ที่มันผ่าน ตาโหูจมูกกริ้งกายจิตจือยู่เสมอืมไม่ใช่ว่าเราหนีมาเพื่อความโง่เราหนีมาเพื่อความฉลาดไม่ใช่เราหนีโลกมาอันนี้เรามาศึกษาโลกให้รู้แจ้งเพื่อเป็นโลกปิทูต่างหาอืมไม่ใช่ว่าธรรมะเราชอบอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะกี่ถูกต้องแล้วเราไม่ชอบอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมะกิจถูกต้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้นม ไม่ใช่คนระืมในธรรมะนี้มันเป็นความจริงมันตัดกะระแสของมันี่เรื่อยๆไปมมันจะตรงมันจะตรงไปตรงมาเรื่อยๆมันไปขึ้นต่อจิตใจของใครทั้งนั้นนะ่นะมีแต่ใจของบุคคนไปขึ้นต่อธรรมะอันแ ท, แท้จริงคือความจริง อ, อยังนั้นจริงอืมบวชจึงให้มีความหมายเนี่ยพอมสมควรพราวันนี้ ดูดิโยมก็ดูตีว่าคนทุกข์เพราะอะไรคนทุกข์เพราะไม่มีของเนี่ยดูดินเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่รวยวเนี่ยเนี่ยแล้วโยมดูต่อปีว่าไอ้คนรวยนี่สุขไหมมันหมดทุกข์อะหรือ ย, อย่างนี่มันเห็นเห็นกันอยู่นี่โยมเคยเห็นไหมคือทุกข์กับสุขนะหรือทุกข์กับรวยอ่านะ จะมีความสบายได้ไม่ใช่ว่ามันขึ้นจออะไรมันขึ้นต่อความเห็นถูกแล้อืะถ้าเรายังมีความเห็นผิดอยู่ให้มันจะเป็นมหาเศรษฐีมันกว่าทุกมันจะเป็นคนไม่มีมันกว่าทุกท้ายก็ตายอย่าเนี่ยตายมันขึ้นต่อใครมันขึ้นต่อคนแก่เนี่ยอืหรือคนไหมันหใช่เนี่ยมันคนหลายอย่างกัน มันคนในอย่างกันเด็กก็ช่งมันคนแก่ก็ตามมันมันคนในอย่างกันอืแก่มันก็ตายได้เป็นเด็กมันก็ตายได้คนจนมันก็ทุกได้ไอ้คนรวยมันก็ทุกได้เนี่ยเนี่มันเป็นเห็นนั้นไม่ใช่ว่าเด็กไปตายง่ายแก่ก็ตายเร็วนี่โดยปริยายอย่างเนี้ยอือันนี้มันเป็นของไม่เนี่ยเหมือนกันแต่ความทุกข์มันแตกต่างกันเท่านั้นใช่ทุกแตกต่างกันเช่นว่า เช่นว่าอ ไ, อไอ้ก้อนนี่มันเป็นก้อนหยินธรรมดาเนะขนาดโยมกัแบกเต็มแรงของโยมนะโอ้หนักถ้าจะมาเออแบกนี่ไปส่งที่นวัดเนี่โอ้ยผมเอาไปไม่ไหวเลยน ะ, นะถ้าว่าเป็นก้อนเพชรขนาดนี้โยมแบกออกจากวัดเอาไปเถอะนะอัอนนั้นก็ทุกพอทุกควรเลยแต่ว่าโยมชอบใจโยมจะอุตส่าห์แบกเลย ให้แบกได้ก็แบแกเอาเสื้อกลอนเพศตอนนี้แม่โยมจะจองเอาคนเดียวเลยนะแบกไปจุดก่อนมันหลังจะหักจะพังมันจะแบกทุกไหมทุกเรว่ามันพอใจที่จะต้องทําเนี่ยถ้าอะไรอะไรเลยเราไม่ชอบเลย ไ, ไม่ถึงขนาดนั้นคนระับเนี่ยสักห้าหกิโลนี่โยมก็ไม่ไม่ก็ไม่ต้องการไม่งัผมหนักผมอะไรต่ไ อ, อะไรทาบเสื้กคอนเพศนาโยมเอานี่นะโยมจะไม่อยากใครมาช่วยมันจะแบกมันจะเป็นมีส่วนแบก แต่ว่ามันหนักเท่ากาัคนความทุกข์มันจะหน้าหน้าความทุกข์มันจะจะต่างกันอืมจากกันนี่เพราะว่าก้อนเพชรกับก้อนหินธรรมดานั่นน่ะอืน้ําหนักมันก็จะเท่ากันนะ่ะอืะแต่ธรรมชาตินั้นเอาของไปใส่เข้าในที่นั่นนะใส่ก้อนเพชรนั่นนะ่ะออันอันหนึ่งเอาไปใส่ไปในธรรมชาติไปใส่ไปในก้อนหินมันต่างกันอืมันเป็นจริง น, นั้น น้ำหนักเท่ากันแต่ว่ามันมันหนักตัวกันเพราะมันเป็นที่จิตของโยมแล้วก้อนหินใน ม, มีราคาไอ้ก้อนเก็ตมันมีราคาโยงกว่าจอบนะหนักก็ทุนอยู่ที่จิตไปตรุงรับขึ้นได้แต่ยึดมัน่นอุปทานมันม่นหมายมันอืมอืมจะเขาชอบใจเราอยากได้ประมาณเขาไม่ชอบจะนิดน้อยกว่ายาวไปมากเลยทำไมเละ นั่นก็เป็นอย่างี้เรื่องของธรรมดาที่ธรรมชาติของมันก็เป็นเพราะนั้นถ้าจงมาพิจนารณาอันนี้คือว่ามันปลุกจิตใจของเราให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนจากสภาพอันนั้นพิถีของคนเราเนี่ยมันก็เอาออกยากอยนางเงี้ย น, น, นะเอาออกอยากอืมเป็นพูด ง, ง่ายๆ่าโยมกําลังสร้างบ้าน สวย uh huh. เสร็จมาสักประมาณสักเดือนอยังกำลังขึ้นอยู่แต่มีพระมีพระเดินไปด่มีใครเดินไปโยมบ้านนังนี้รื้อเตอะเจอโจงคณนึงว่าเขาจะพูดพเพราะล่ง น, นะตั้งตัวชวนบาท น, นังนี้รื้อเอะเจอทำไมมันไม่ใ่ของเราคือมานทีงโยมก็จะเชิญเนีย เนี่ยจนกว่าไอ้ไอคนคนนี้น่ะจะให้เหตุผลในโยมฤาษีบ้านหลังเนี้ยจะหาคนอย่างไรมามาพูดให้โยมเข้าใจจะมีศรัทธาหรือบ้านหลังนี้ได้อืนี่ทิฏฐิมานะของคนนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกหลายกลับหลายกันมันก็ยังไม่กา้าเปลี่ยนแปลงเท่านั้นน่ะมันยึดมันมั่ น, นอืยูนะ่ฉะนั้นทิฏฐิทิฏฐิมานะของคนเนี้มันเป็นของยาก แล้วเบิดภูเขาลูกโ ต, โ, ตโตมันก็เร็วกว่าอืมมีกเขาผลถินนไปขายนะยังไม่กีก่กกกกกปีมันก็หมดภูเขาไอ้คนนี้ก็มันเอาออกยากมะมันไม่ยอมละอันนั้นทิฏฐิอันนั้นมันฝังอยู่ในนั้นมันไม่เห็นเมื่อปัญญาไม่ชัดไม่ดูแจ้งเมื่อไรก่อนโยมก็นึกดูอะไรก็แล้วกันถ้าใครมีใครมาชวนรื้อบ้านโยมแก่คุู่ไหม แต่คนจะมาชวนลื้อบ้านนี่มีเหงงตุผลเพียงใดเราจึงจะลื่อบ้านตรงนี้อันนี้อันนี้มันจะหนักหรือเบาเราก็ต้องไปพิจาาด้วยเรื่องพิธีอันเนี้ยพิธีมณนะที่เราถือไว้เนี่ที่เรายึดไวเนี้ยว่าตัวเราว่านี่ของเรานนทั้นี้นะไม่จริงไม่จริงง่ายจึงขัวมันจิดนี่มัน ความทาเป็นหินมันเปลี่ยนพิจนาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอืมเปลี่ยนไปจนกําหนดพิจารณาเห็นชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราจริงๆอืมวัดนี้คนคนนั้นจึงจะพยายามละอันนั้ น, นดิละน้อยดิละน้อยจนกว่ามันจะหมดตัง เมื่อร้านไอคดมันก็เปลี่ยนไปสูงขึนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นว่านี่ไม่ใช่ต้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ใชเราไม่ใช่ของของเราเนี่ยมันก็เห็นไในยากเห็นในลำบากบางคนยังไม่ฟังชั่งว่านี้ไม่ไม่ใช่ตัวเรานะนัมนใช่ของเรานะ่ยังไม่ได้ยินนะม <c oughs> ือว่าอะไรมาเลยยินเฉยใจมันเข้าไปดื้อิตไม่เข้าไป คุณธรรมท่านจะเป็นของซึ่งก็ไมใช่ปัญญาอืิงปัญญาอนีญญ้ปัญญานี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันสเหุมา จ, จัดระดับปัจจัยปัจจัยมันน้อยอืมเหตุมันน้อยในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันใ น, นอนิสานาดีต อ, นนอดีตที่เป็นมาแล้วดีบากมั่นเรียกว่าปัอืมเป็นกรรมเป็นกิเลสในปัจจเป็นดีบาก ที่เราสร้างสมอบรมไวในอจิตการบางในปัจจุบันมีบางมันน้อยคือเราไม่ค่อยๆได้ศึกษามาันเช่นว่าถ้าในพิจารณาเรื่องกรรมฐานนี่แหละกรรมฐานเจซาโลมานะคาตันตาตาจงเราต้นไม่เห็นง่ายๆเพราะเราไม่ศึกษามาันบ่อยแต่เรามีความรู้สึกมึดคิดอยู่บ่อยๆเรื่อยเรื่อยๆเป็นมาเรื่องเป็นอานิจังแล้วก็พูดถึงอานิจังแต่ความจริงๆ่ะ พูดแต่ปากมันเห็นชัดปัญญามันไม่เกิดเรื่องปัญญามันจะเกิดได้ต้องหนึ่งได้ฟังสองได้คิดสามได้ภาวนาสาม ร, ระดมนี้จะต้องติดตามเราอยู่เสมอนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็คิดเสมอให้เป็นวิิยาลาัพะปลาแล้วความเพียรอยู่เสมอนี่เรื่องอันนี้เป็นเหตุ เช่นว่าผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันใกล้ ก, กับการทะลุทำแล้วแต่อยู่ห่างไกลมักขาดห่างไกลครูบาอาจารย์ห่างไกลผู้แนะนําคําสอนนิสัยอันนี้อาจจะเนินชาไปก็ได้อืเนินชาไปก็ได้ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยอันเนินชาแต่ว่าใกล้ครูบาอาจารย์ปราบบัณฑิตทั้งหลายที่จะนีน้นําคําสอนอยู่อย่าเงีเ่ยงไอ้คนคนนี้อาจจะไปก่อไได้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 ะเรื่องสมารกรมทางนอกเราทําให้กรมเพียวสามากีกันถ้ามันกรมเพียวสามากีกันตีพินน้องๆในชนบทนั้นนั้นก็จะกะเดือนขึ้นนี่ส่วนห น, นึ่งยืนเดิน น, นั่งนอนปราศจากความทุกข์ลมน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามากีพอดีซึ่งกันกันแลยก็ทําให้ร่างกายของลราคล่องอืมอยู่สบาย ไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเทียบมาในจีวรหิเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอกข้างในก็คือกลุ่มในกายจิตของเรามีดินน้ําไปลงนี้ถ้าหากว่าลมมันมากน้ํามันน้อยอืมน่ะไฟมันมากดินมันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เดี๋ยวว่ามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดียวว่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสามัญซึ่งกันในกันอืมอันนี้เป็นเหมือนกัน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 ตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไปอืมเมื่อสุกหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวอะไรตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บัางไปสวรรค์อยู่บัางอืมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรไมันจะจบอืมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกเมื่อสุก เือดทุกอันนี้นะอันนี้แห่เป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่ อ, อไรวะไอ้ไอ้สุกนี้มันก็ไม่แน่นอนทุกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอเนจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงสอบคงว่าถ้ายกเห็นเจ่ น, นี้แล้วเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์ เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์อ น, นั่นจะเป็นอนัตตาไม่เจตัวตนเราเขาถ้าเราเห็นเช่นนี้โยมก็จะบรรเทาบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะเน้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมก็เคยประสบทุกข์รือสุดฝะาฝนกันมาอยู่นุ่ก็คนคนเดียวนั่นแหละ เนี่ยโยมต้ให้โยมรวมกันมาเลยโยมรวมกันทำมารกับถ้าโยมเห็นว่าสุขกับทุกข์นี่มันคนในส่วนมันมีราคาต่างกันสุขมีราคามากทุกข์ไม่มีราคาเลยถ้าโยมเห็นเช่นนี้โยมก็จะเป็นทุกข์เหมือนกันกระถูกลูกสอนเขาอยู่ด้วยไปไม่มีทางสงบทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละจะมาพวนโยมให้โยมกับพิจารณาอืมกับพิจารณาเช่นว่า น้ำเราไปตามน้ํำทีทา่าอืมนะยังไม่รด้บ่งมันดอกโยมก็เดินไปบางทีมันก็มันเจ็บบางทีมันก็เจ็บมันก็โยมอืมมันก็ลังพานรังพาน๋ยวมันจะกิดอยู่ืั่นแหละโยมใจดูที่แท้จริงก็จะก็เพราะอาการอย่ันนะเยีกบ้านหนึ่งโยมไปโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้เนะี่ยดูให้ขนาดซะดูให้ดีซะ จะเห็นหน้ำอีกตรงนั้นเนื้อบุมเอาน้ำผ่าเอาน้ำมนันออกเนี่ยไอ้พรความเจ็บปวดเช่นนั้นห้โยมพิจารณาไปถึงัวดจริงมันนี่คืออะไร